พึ่งมันมีศรัทธามันบินมากิจมันเสลยตอนหลวงพ่อไปภาวนานะเราไปหาครูบาอาจารย์บางทีข้าววัดท่านพระส่วนใหญ่พระอุปัชฌาย์แรู้จักท่านก็จะร้องแบบโอ้ยพึ่งมาแล้วไอ้พวกพึ่งมาแล้วเราเป็นพวกกบท่านเหล่านั้นท่านรักษาครูบาอาจารย์อยู่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 งั้นถ้าเวลาเราจะตายแล้วเรา็นึกเสียใจทีหลังนะ ว, ว่าแม้รู้อย่างนี้ภาวนาซะตั้งนานแล้วอันนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยงั้นเมื่อเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะอแล้วนะต้องเริ่มลงมือปฏิบัติทันทีบางทีจะบอกว่ามาฟังเดี๋ยวจะกลับไปปฏิบัติที่บ้านก็ประมาทล้วอาจจะไม่ถึงบ้านตายก่อนก็ได้แ้เริ่มปฏิบัติเมื่อไหร่เริ่มเดี๋ยวนี้เลย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 ฟังธรรมะแล้วจิตจใจเกิดความร่าเริงเราก็เห็นนะร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งความร่าเริองอยู่ส่วนหนึง่งใจอยู่ส่วนหนึง่งโคราอันกับค่อยๆดูธาตุดูขันนะค่อยๆแยกค่อยๆดูไปใจเย็นๆอย่ารีบร้อนถ้ารีบจะเอาเร็วๆจะยิ่งช้าอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้เพราะอยากนั่นเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์อยากได้ธรรมะก็ทุกข์ไม่ใช่ว่าจะไม่ทุกขนะ์ต้องละอยาก แต่ไม่ขี้เกียจ น, นะต้องมีชันทะอยากกับันท h ไม่เหมือนกันฉันท h เนี่ยเป็นความฝ่ดีต้องการทำอะไรที่ดีๆตัณหามันอยากไปตามอำนาจกิเลสตามอำนาจราค้าบ้างโทษาบ้างมันลากเข้าไปอย่างเราพอวนาเรามีฉันทะเรามีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้ดูกายดูใจขยันดูกายดูใจอันนี้ไม่ได้ทำหรืออยากทำเพราะเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ เป็นของดีนำความสุขมาให้ถ้าอยากมันจะอยากได้ผลอยากได้ผลเร็วๆภา ว, วนามาแล้วนั่งนับวันนี่ได้เจ็ดวันแล้วในพระไตปิฎกว่าเจวันบราารลุพระอรหันต์ก็มีทําไมเราไม่บรรลุสตแล้วนั่งนับต่อไปเจเดือนแล้วเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองยังสบายใจเดือนที่ห้าที่หชักร่วมใจใกล้เจเดือนแล้วเมื่อไหร่จะได้ถึงเดือนที่เจ็ดแล้วก็ไม่ได้อีก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 อย่างเราคิดถึงการปฏิบัติเราไปเดินจงกรมนะเราก็บังคับตัวเองต้องเดินท่านี้ต้องเดินที่นี้ด้วยบางคนนะเดินที่อื่นไม่ได้ต้องทําทางจงกรมไปที่บ้านนันหนึ่งนะถึงเวลาไปทุ่งที่ไหนก็ตามถึงเวลาเร่รีบกลับบ้านขับรถหัวซุกหัวซุนมานะวิ่งตักๆๆๆขึ้นหัวทางจงกรมนี่ถึงจะเดินได้ไม่รู้เลยว่าตรงที่วิ่งตักๆๆมานั้นรู้สึกตัวไปก็เดินจงกรมอยู่แล้วนะเนี่ยมันติด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 เบื้อง้นยืมธาตุของพ่อของแม่มาใช้ต่อมาก็อาศัยอาหารอาศัยน้าอาศัยอากาศเลยเนี่ยมาเลี้ยงมันสุดท้ายมันก็แตกสลายคืนเจ้าของเดิมไปร่างกายก็เป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่สัตว์หรอกแต่สมมุติบัณฑ์ั้นมันปิดบังความจริงอย่างเราเห็นว่ามีคนผู้หญิงมีคนผู้ชาย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 ถ้าเข้าใจตัวนี้นะจะข้ามโลกแล้วจะหลุดออกจากโลกแล้วไม่ได้บ้านะไม่ใช่หลุดโลกภาษารุ่นของเราแล้วหลุดโลกต้องแบบแปลกๆไปเลยนหลุดออกจากโลกใจสลัดคืนกายกายนี่แหละโลกคืนใจบกใจนี่แหละโลกขันห้านี่แหละโลกนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะพระเจ้าสอนอะไรเรียกว่าโลกโลกก็คือรูปกนามเอะ ขันท่านี่เองเคยสวดสวติปัฏฐานไหมมีอยู่บทหนึ่งวินัยยะโลเกอพิชาโทมานัสสะตอดทอนความยินดียินไยในโลกเสียได้วโลกตัวนี้คืออะไรคือรูปกันามนี่นะไม่ใช่โลกข้างนอกงั้นเราเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจเต็มที่มันจะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกคือในรูปในนามในกายในใจของเรานี้ได้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 ตัวทุกข์ที่กลางอกหรือดูจิตขยับจะถามขยับจะถามจนหลวงปู่เทเข้สิ้นไปฮนะอยู่กับหลวงปู่สิมส่วนใหญ่หาโลกงปู่สิมก็ไม่ได้ถามอีกเจนกระทั่งมาบวช น, นะเหลือครูบาอาจารย์ก็แค่ลหลวงปู่เหรียญกับหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตไปก่อนอีกนะว่าจะถามก็ไม่ได้ถามอีก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 เลยต้องช่วยตัวเองนะค่อยดูค่อยดูไปค่อยสังเกตไปใช้เวลาตั้ง20ปี20สิบปีจากที่สงสัยธรรมะอนนี้นะถึงได้รู้ขึ้นมาว่ามันอันเดียวกันอันเดียวกันตรงไหนตรงที่ว่าเวลาเราภาวนาให้เรารู้ทุกข์นัน่นแหละถูกแล้วแต่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้พอเรารู้ทุกข์แกแจ้งนะั้นมันระวังทุกข์เป็นลาดับลาดับไปวางทุกข์ ท, กที่อยากออกไปก่อน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 อย่าถ้าเราภาวนาะเราเกิดเห็นว่าจิตเที่ยงเนี่ยไม่ต้องไปถามใครเลยถ้าเรารู้หลักที่พุทธเจ้าสอนนะเรามีโยนิโสนิดเดียวเราก็รู้แล้วว่าต้องภาวนาผิดแล้วละ่ะทำไมจิตเที่ยงพุทธเจ้าว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจิตนะั้นเป็นสังขาร น, นั่นหนึ่งนะเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึง่งเนี่ยใช้ความสังเกตเอานะไม่ใช่ถามเราไม่สามารถตัดสินได้นะในยุค ข, ของเราเนี่ยว่าใครคือกัลยาณมิตรตัวจริง กระทั่งหลวงพ่อประโมทนะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกลยานตมิตรตัวจริงอาจจะสอนผิดก็ได้งั้นเราต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะถ้าเมื่อไรที่เราภาวนาอยู่นะมันไม่ลงรอยกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่าไปเชื่อมันอย่าไปนึกว่าพระไตรปิฎกจดมาผิดนะอย่างภาวนาไปแล้วเห็นพระนิพพานแล้วก็บอกว่าพระไตรปิฎกจดมาผิดนะว่า นิพพานนิพพานนงปรมังสุนยังว่างไปหมดแล้วไม่มีเนี่ยเราจะไปโทษว่าพระไตรปิฎกผิดอะไรต่อใดนะพระจํามาผิดอย่างเงี้ยนะ ไ, ไม่ผิดอย่างเดียวคือเรานีเองเราภาวนาถูกลูกเดียวเลยแล้วเราอย่ไปช่วยคนอื่นนะค่อยๆสังเกตตัวเองให้มากเลยนะพระเจ้าสอนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเห็นไหมหรือว่าเห็นบางอย่างเที่ยงอยู่เวลาเราภาวนานะบางทีเราเห็นตัวหนึ่งเที่ยง ต, ตัวรู้นี่แหละเที่ยงเคยไหมบางคนที่หลวงฟ้าตรวจกันบ้านบอกใช้ไม่ได้นะเห็นร่างกายเห็นความรู้สึกสุ ข, สขทุกข์เห็นความดีความชั่วเกิดดับตลอดเวลานะแต่มีตัวหนึ่งคงที่อยู่ตัวดูนี่แหละนิ่งคงที่อยู่ในตลอดเวลาเลยทําหน้าให้ดูเนี่ยจะอยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างเนี้ทั้งวันเลยดูออกไหมเวลายิ้มก็จะยิ้มอย่างนี้ เนี่ยมันจะค้างอยู่อย่างเงี้ยนะดูออกใช่ไหมอุตสาห์แสดงแล้วนั่นเนี่ยใช้สื่อทุกชนิดเลยนะในการสอนทั้งภาษาทั้งท่าทางทั้งหน้าตานะสอนพวกเรารุ่นนี้มันสอนลําบากต้องต้องแสดงให้ดูด้วยเนี่ยถ้าเรายัางเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งถ้าเรามีโยนิโศยผิดแล้วทาไมตัวหนึ่งเที่ยงอะ ไอตัวนี้มันก็สังขารตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่เป็นเที่ยงกนะ็ภาวนาผิดต่อสิก็ไปประคองตัวจิตเอาไว้ก็ผิดต่อสิเนะนี่ยเราใช้ความสังเกตไม่ต้องไปถามหรอกป้ามารีว่ายัางไงลุงประสานว่ายัางไงไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเลยนะสังเกตให้มากช่วยตัวเองให้เยอะนะคนที่เอาตัวรอดได้เนี่ยล้วนแต่นักสู้ทางนั้นนะคนที่เข้าใจการปฏิบัติขึ้นมานะเป็นนักสู้ที่เข้มแข็งทางนั้นเลย ไม่ใช่พวกเปาะแปะเปาแปะปาแปะให้ครูบาอาจารย์โอนะหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อโอนะหลวงพ่อพาโมดเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อโอแน่นอนนะงั้นเรียนเราต้องสู้เอาเองสังเกตเอาเพราะอะไรทําไมสอนอย่างนี้เพราะหลวงพ่อผ่านมาด้วยวิธีนี้นะสู้มาด้วยพิธีนี้เราอยู่ไกลครูบาอาจารย์หลวงพ่อพานาตั้งแต่เป็นโยมเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยเวลาส่วนใจเอาไว้ทํามาหากินนะอันนี้พูดแบบสุภาพนะ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 อะไรที่สอดคล้องกับคาสอนของ พ, พุทธเจ้าเราทําอย่างนั้นเนะี่ยแล้วเราสํารวจตัวเองจริงๆนะว่าเราทําตามที่พุทธเจ้าสอนจริงหรือเปล่าอย่างบางคนบอกพอนานามาตั้งเจ็ดปีแล้วไม่ได้สักีถามว่าทําตามที่พุทธเจ้าสอนได้ที่ ท, ท้วนเดีไหมท่านสอนให้มักน้อยเรามักมากหรือเปล่าท่านสอนให้สันโดษเราโลภเราโมบโลกมากไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีหรือเปล่าท่านสอนว่าไม่ครุกคลีเราชอบครุกคลีหรือเปล่า ท่านสอนให้ปลารบความเพียรเราคิดถึงการปฏิบัติบ้างไหมวันวันหนึ่งนานๆคิดจริงบางคนหลายวันคิดทีหนึ่งองนีไ้ไม่ได้เรื่องเลยปรารบความเพียรเนี่ยถ้าคอยเตือนตัวเองนะว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะเราจะตายไปทั้งๆที่จิตยังมีกิเลสทั้ทงๆที่จิตยังมีความทุกข์เนี่ยรับไม่ได้เราเองเนะีรับไม่ได้นะใจมันจะทนไม่ได้มันจะกลนก๋ายภาวนานะมักน้อยสันโดษไม่ลุกคลีปลารบความเพียรเจริญสติส ต, สติตัวนี้หมายถึงสติปัฏฐาน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 พุโทโธพุธโทโธนะจิตหนีไปจากพุโทโธเมื่อไหร่รู้ทันรู้ลมหายใจจิตหนีไปจากลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยบนะจิตหนีไปจากท้องหนีไปคิดหรือไม่ก็ไหลเข้าไปที่ท้องเลยรู้ทันนค่จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ฝึกไปด้วยจิตมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะพอรู้ทันปุ๊บจิตตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมาเลยนะ งั้นเราต้องมีนะค่อยๆฝึกทุกวันให้ได้สติให้ได้สมาธนะิแล้วปัญญามันจะมานะงั้นเนี่ยเราต้องสํารวจตัวเองนะเราเราทำตามที่ผู้เจ้าสอนได้ครบถ้วนไหมเรามากน้อยไหมหรือเรามากมากโลภมากไม่มีที่สุดเราสันโดษไหมเรายินดีพอใจในสิ่งที่เราได้มาอย่างถูกต้องบริสุทธิ์แล้วนะหรื อ, อยังไม่พอใจนะเราคลุกคลีไหมยุ่งกับคนอื่นไหม เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรเนี่ยนะถ้าเล่นโดยไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับงานกิจการนี้ฟุ้งซ่านนะแต่ถ้ามีงานมีการแล้วใช้ไม่เป็นไรนะใช้ติดต่องานกันอะไรเงี้ยนะครูบาอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าไม่จำเป็นนูนเล่นแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านนะคลุกคลีคอยให้คนอื่นเขามารับรองว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่มันคือการเซิฟอัตตาเียเิอัตตาตัวตนนั่นเอง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 ค่อยฝึกนะแล้วมันจะเห็นความจริงวนะ่า ป, ปัญญาเกิดเนี่ยมันจะได้อีกข้อหนึ่งไม่เนิ่นช้านนะลักษณะธรรมะของผู้เจ้านะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารกความเพียนมีสติสมาธิปัญญาไม่เนิ่นช้าถ้าทำมาทั้งสามปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมต้องรีบทบทวนนะหรือทำมาสามเดือนแล้วก็ยังคงที่อยู่ต้องทบทวนแล้วลนะ่ะถ้าต่ากว่าสามเดือนก็ยังไม่ต้องกังวลมากนะ ลองดูสักสาเดือนอย่างถ้าฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็หัดดูกายดูใจหัดรู้สึกตัวจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้อะไรเนี่ยนะถ้าฝึกอยู่สักสาเดือนแล้วผมเห็นอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้เรื่องได้ราวเพราะไม่เป็นไรไปเรียนกับคนอื่นได้นะธรรมะมีหลากหลายอาจจะไม่มีวาสนาซึ่งกันและกันนะแต่ถ้าภอนาถูกนะแป๊บเดียวเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยเปลี่ยน อย่าว่าแต่เดืนอน2เดือนสมเดือนเลยเนี่ยคนจีนเนี่ยมาเรียน1ิวันได้ยังประสานวันนี้วันที่10บมีคนจีนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมาเรียน18คนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะเกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็ที่แยกขันได้ก็มีนะที่เห็นขันแสดงใจรักแล้วก็มีนะในเวลา1ิวันเนียของเราใคร1ิบปีบ้าง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 สัมผจตัวเองนะนี่เรียกว่ามีโยนิโสนะคอยสัมผัสตัวเองโยนิโสมนากิการแยบคายในการสํารวจตัวเองศีลขอ ง, งเราดีหรื อ, อยังพวกเราศีลศีลดีอย่างตอนเนี้ศีลข้อไหนรักษายากที่สุด12ึ่สสทุกคนลงมติข้อสี่ยากที่สุดนะเพราะอะไรการเคลื่อนไหวปากเนี่ยใช้พลังงานน้อยกว่าการเคลื่อนไหวมือและเทา้านะ ใช้พลังนิดเดียวใช่ไหมยิบชิบชแต่ก่อโทษร้ายแรงอย่างเราไปชกหน้าเขาน่ะเดี๋ยวเดียวเขาก็หายเจ็บแลเราไปแกล้งว่าเขานะ่ะโอ้ยเขาเจ็บทั้งชาติเลยโทษร้ายแรงนะโทษมูสาวาดไม่ร้ายแรงนะทำร้ายคนอื่นได้เยอะนะอย่างเขาเป็นคนดีเราว่าเขาเลวอย่างงี้นะสังคมลุ่มปนามไปเลยเสียผู้เสียคนไปนบาปอย่างร้ายแรงนะฆ่าทั้งเป็นเลยยี่กว่ามีดปาดคออีก แล้วเราแต่เราที่เรารักษาศีลข้อสี่ยากนะเพราะเราไม่ค่อยเห็นโทษเราไม่รู้สึกว่าเป็นโทษมากหรอกนิดนิดหน่อยๆ อ, นะอำเล่นนิดหน่อยกันเองจนกระทั่งคนต่างชาตินะหลวเข้าไปมาหลายประเทศนะคนต่างชาติเวลาคุยกับคนไทยนะี่ยนะจะเหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่าคนไทยต้องการอะไร <laughs> ใครให้คนไทยนะี่นะ คริวไหวเนี่ยเข้าขั้นฝึกวิทยายุทธขั้นสุดยอดแล้วนะะคลิ้วไหวนไม่แข็งกระด้างนันวาจาเรานะเราเราถือศีนข้อสียากเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษมากเราเห็นว่ามีโทษนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เหมือนไปนขโมยเขาไปขโมยเขาอะไรเงี้ยมบบโทษมากเดี๋ยวติดคุกโทษมากเพราะมีโทษจำคุก นะไปแกล้งสอดเสียดเขาเล่นเนี่ยไม่ถึงก็ติดฟุกอย่างมากก็ไปลงหนังสือพิมพ์ขอเข้ามามีโทษน้อยเห็นไหมการเดิเนไปฆ่าเขาเนี่ยติดคุบอย่างเงี้ยถูกประหารมีโทษมากไม่จริงเลยนะข้อสเนี่ยโทษมหาศาลเลยยุให้คนสองคนตีกันก็ได้นะยุให้สองชาติลบกันก็ได้นะทําได้สารพัดเลยทําให้คนตายทีหนึ่งเยอะๆก็ได้ หรือพูดปลุกระดมให้ฆ่ากันคิเลอร์พูดเก่งพูดให้ฆ่าอยู่ไปสักห้าล้านทำได้วาจานะงั้นถ้าเรารู้ว่าผิดศีลข้อสี่ทำโทษได้เยอะเนี่ยเราจะระวังเราจะคอยระวังทุกวันนี้เราไม่เห็นโทษเราก็ไม่ค่อยระวังนี่เราค่อยๆสังเกตตัวเอง น, นนะศีลเราดีไหมจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไหมเราได้ขยันภาวนาไหมดูกายดูใจไหมดูบ่อยๆ แลในเวลาไม่นานเราก็จะได้ของดีนะแต่ถ้าเราไม่ค่อยทมนะหรือหวังพึ่งคนอื่นเ่าก็จะถามโน้นถามคนนี้ไปด้วยถามถูกตัวก็ดีไปนะถามผิดตัวพาเราเสียไปเลยนะมีบางคนนะชอบไปเรียนอะไรมาหรื่ต้องไปอ่านอะไรมาก็แล้วนะกี่ปีกี่ปีแล้วนะเจอมันนะจิต ม, มันก็สว่างว่างอยู่ทํอย่างนี้จิมสบาย จิตมันไปว่างสบายอยู่ข้างนอก อ, ะอ่ะอกี่ปีกี่ปีมันก็อยู่ตรงนี้นะเราเห็นเราสงสารเต็มทีเลยที่ดา่าอุย้ยกี่ปีก็อยู่ที่นี่แหละปีกลายมันก็แบบเนี้ยปีนู่นก็อย่างเนี้ยปีหน้าก็อย่างนี้อีกแหล ะ, ะด่าอย่างนี้ก็มีนะด่าแบบเปลีบเปลีบเปลือยยนะมัน <laughs> บางคนพอพูดได้ก็บอกตรงๆเลยที่ฝึกอยู่ใช้ไม่ได้หรอกนะ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 ไม่ได้ผิดศีลไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดสอดเสียดเพือเจ้านะพูดด้วยเมตตาพูดด้วยเห็นมีประโยชน์ถึงพูดพูดแบบมีกาลเทศะก็อารมณ์ไม่ดีก็ยังไม่พูดพูดสุภาพเนี่ยองประกอบครบสัมมาวาจานะแต่ว่าเผ็ดร้อนพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะวาจาท่านเผ็ดร้อนมากนะวาจาพุทธเจ้าอ่ะใครไปเถียงด้วยนี่ถูกเหมือนถูกเชือดเลยนะ ถูกดักหน้าดักหลังนะดิ้นไม่ออกยอมแพ้ทุกรายที่ว่าแน่แน่นะ ม, มีคนหนึ่งนะชื่อสัจการ ส, สัจการน้คนนะถือว่าตัวเองจีนเนสมากเราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสอนนะว่ารูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วคิดวนะ่ารูปนี้เราสั่งได้รูปนี้แหละเป็นอัตาก็เที่ยวไปประกาศนะชวนชวนคนบอกจะไปโต้กับพระสัมมาสัมพุทธเ เราจะเบี่ยงสมนาโคดมนะด้วยคําพูดของเรานะเหมือนคนมีแรงมากนะจับเสือเนี่ยสะบัดเนี่ยเบี่ยงอย่างนี้เลยนะเราจะเล่นงานสมณะโคดมนะให้เหงื่อรักแล้ออกเลยเนี่ยว่าอย่างนี้เลยนะโฆษณาคนมาฟังเยอะเลยมาถึงนะมันก็มาถามเลยถามถามพระเจ้านะว่าพระสมมนาโคดมสอนจริงหนระือว่ารูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่งเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตาหรว่าจริง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 ถามสามผลไม่ตอบฟ้าผ่าหัวแตกนะอืฟ้าที่ไหนจะผ่าไอ้คนที่รอฟังเนี่ยมึงหล อ, อกกูมาฟังนะ <c oughs> หัวมึงแตกแน่รอบนี้ยต้องตอบตอบตอบตามที่พระเจ้าถามไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วพระเจ้าก็ถามไงล่ะจะมาเหวี่ยงเราเหมือนวูลดผู้มีกําลังมากเหวี่ยงเสือ <c oughs> เหวี่ยงเสือในน้ําสักเสือเห็นไหมถูกเราเหวี่ยงซะแย่แนละ้ว เราชู่มือให้ดูเห็นไหมรักแล้ <e เราเหงื่อไม่ออกเลยอแกชูรักแร้มาสิไอ้นี่นังเหงือแตกทั้งตัวเลยนี่คําพูดของพระเจ้าแสบนะอย่างพวกพราหมนะพวกพรามณ์ก็บอกเลยพวกพราหม์เนี่ยเกิดจากปากของพรอมพระเจ้าบอกไม่จริงหรอกพวกพราหมณ์เกิดจากช่องคลอดของนางพรามมณีดูสิลายไหมแต่เนี่ยท่านไม่ได้ผิดศีลนะ ไม่ผิดศีลศีลท่านบริบูรณ์งามเมื่อเรารักษาศีลหน่อยนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ให้เจ้าเล่์นะสำรวจตัวเองให้ดีนั้นอะไรที่ผู้เจ้าห้ามเราไม่ทำอะไรที่ท่านบอกให้ทำก็ขยันทำหน่อยให้มักน้อยให้สันโัวให้ไม่คลุกคลีให้ปรารบความเพียนให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาต้องทำอะไรไม่ให้ทา อย่าผิดศีลห้าข้อนะก็ไม่ทําเป็นตัวอย่างนะแล้วเราไม่ต้องไปวัดที่คนอื่นไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเราว่าเราภานาถูกภาวนาผิดนะเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองทรชนหรอกรู้ด้วยตัวเองไม่เป็นเข้าข้างตัวเองจะมองความจริงไม่ออกแต่วินยูชนเนี่ยจะรู้ด้วยตัวเองวัดผลได้ด้วยตัวเองอย่างพวกเราใครรู้สึกตัวว่าตื่นขึ้นแล้วบ้าง ที่เรียนกับหลวงพ่อมีใครรู้สึกตัวได้ว่าตื่นได้เป็นคลาวล่วะไม่ตื่นทั้งวัดหรอกน้องเหมือซี่มีไหมเนี่ยวัดได้ตัวเองไหมวัดได้ไหมวันได้เคยเห็นไหมกายกับใจแยกออกจากกันใคยเคยเห็นไหมเชื่อหรือยังว่าขันแยกได้เนี่ยวิญญาชนรู้ด้วยตัวเองต่อไปจะจะเจอยิ่งกว่านี้นะเสิ่งที่หอ่อหุ้มจิตเนี่ยแหวกออ ก, กได้เอตอนนี้ยังไม่เคยเห็นก็ไม่เป็นไรอีกหน่อยก็เห็นเองนะอ่ะ เราก็เห็นนะกิเลสส่วนลึกถูกทำลายล้างออกไปนะจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงความหลุดพ้นมีความสุขอันมหาศาลขึ้นมาเราจะเห็นด้วยตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองให้มากเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีนะแล้วก็ช่วยเตัเองให้มากสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอานะเราะะจะพัฒนาได้งั้นจะมาท่องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะบรรลุไม่บรรลุหรอกงั้นทำนะโดเฉพาะมีศี่ห้า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 ไม่เคยแยกธาตุแยกขันได้เดี๋ยวนี้แยกได้แล้วน่าพอใจเพราะฉะนั้นเวลาส่งกันบ้านนะีถ้าไปฟังซีดีส่งกันบ้านให้เดียจะเต็มไปด้วยคําว่าดีเวลาหลวงพ่อตอบดีดีดนะไอ้คนนี้เคยฆ่าคนทุกวันเลยวันนี้มันไม่ฆ่าเออดีนะมันดีนะมันดีตามชั้นตามภูมิน ะ, นะอย่างบางคนมาถามตั้งโจทย์หลอกๆมานะทักพวกส่งมามาถามไปฝึกสมาธิพิลึกมา แต่ว่าทางนี้จิตสงบจิตดีจิตรู้เรื่อรู้ตัวขึ้นมาเนะี่ยบอกว่าที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ใช้ได้ไหมเราดูแต่ก่อนฟุ้งกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวนี้สงบกว่าเก่าเออดีก็เลยบอกว่าไปฝึกสมาธิพิลึกนั่นแนหะถูกต้องอันี้แอบห้างนะอย่างนี้เป็นการแอบอ้างนะที่วระหลวงพ่อว่าดีดีนะมันดีตามลําดับนะไม่ใช่ว่าดีตอนกอกไก่แล้วมันจะดีที่หอตัูกด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ฟังคําว่าดีแล้วละ่ะถึงเวลาแล้ว อ้าวส่งกันป้านครับนำ้ำมัศการหลวงพ่อเจ้ากาปกติเคยฟังลูกสาวเคยเปิดซีดีของหลวงพ่อให้ฟังเป็นประจำค่ะแต่ก่อนก็รู้สึกตัวได้บ้างคาะเวลาบางทีจิตเผลอก็รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเวลาโมโหอย่างนี้ยก็เคยรู้สึกตัวคกันพอดีดมารยาะยะตอนหลังนะคะ เหนไหมโมโหเรารู้ดีแต่ก่อนที่บ้านจะไม่เปิดทีวีดูนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าลูกสาวก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งสอนอยู่แต่พอดีพอถึงระยะที่ว่าบ้านเมืองไม่สงบก็เปิดทีวีดูข่าวการเมืองคะ่ะตอนนั้นน่ะโยมหลุดไปเลยอะคะ่ะไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวอโอธรรมดานะคือเผลอไปตลอดเออเพราะเราไปอินเกีกับเรื่องราวภายนอก แต่ว่าเราเป็นพลเมืองนะจังหวะถึงคราวจําเป็นต้องดูแลบ้านเมืองก็ต้องดูแลจังหวะก็ต้องแบ่งหน้าที่เราไม่ได้มีหน้าที่อันเดียวไม่ได้มีหมวกใบเดียวว่าเราเป็นชาวพูดอย่างเดียวเราก็เป็นคนไทยด้วยในฐานะคนไทยต้องทําอะไรเราก็ต้องทาําในฐานะลูกต้องทําอะไรเราก็ต้องทําในฐานะพ่อแม่ต้องทําอะไรเราก็ต้องทำดังนั้นแต่ละคนมีหน้าที่หลากหลายแล้วก็ดูจัดสมดุลให้ดีนะ ดูกัรเมืองดูอะไรจะเป็นต้องรู้แต่รู้แล้วทำไงจะไม่ยินเรานั้นแหละปกติโยมเป็นคนที่ขี้โมโหมากค่ะหลวงพ่อเชื่อบางทีเวลาลูกสวดมนต์ตอนเช้าแม่แม่เข้าครัวลูกก็สวดมนต์อยู่ในห้องพระ ค, ค่ะพอดีเพื่อนบ้านนะคะเขาจะเล่นกับหมาเขารลื่ตาวาดหมาดังไปดังลั่นไปทั่วเข้ามาในในในบ้านของโยมจ้คะคะบางทีโยมโกรธมากอยากจะวิ่งออกไปด่าเขาเนะะี่ยค่ะพอดีก็ มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าเ<ด>นี่ยเราหลุดไปแล้วจากเนี้ยดีเลยอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าลูกควรปฏิบัติอย่างไงเจ้าค่ะถ้าโยมมาได้ดีแล้วนะก็ต้องดีต่อไปอีกนะค<ช> อ, อยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยคน<ช><ช>ขี้โมโหนะภาวนา ง, ง่ายนะเพราะมันเห็นง่ายเจ้าค่ะสังเกตไหมเวลาความโกรธเกิดขึ้นใจไม่ช่าชื่นงนหงุดหงิดใจอึดอัดนะมันดูง่ายเพราะงั้นต่อไป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 วิธีสอนแบบปฏิบัติอย่างนี้ให้หใหรู้สึกตัวให้มีสติรู้สึกตัวใช่ไหะรู้รู้แต่ว่าทําบุญใส่บาตรอย่างเดียวค่ะ<ห>แต่พอได้มาฟังซีดีของหลวงพ่อที่ลูกเปิดให้ฟังเป็นประจํา<ห>ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอยากจะไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งสอนนะเจ้าค่ะนะแต่ว่าลูกจะปฏิบัติได้นะไปไปถึงไหนก็ไม่ทราบท่าเจ้าค่ะเพราะว่าลูกยังยังหลุดมากอะคะ่ะไม่ก็จะมีสติบางครั้งเราเราก็ได้เท่าที่เทราเราได้แหละยังค่ะเราทําเต็มที่เท่าที่เราทําได้ นะดีแล้วล่ะเดีย๋ยวกันอ้าต่อไปอเห็นไหม<อ>หลายดีแล้วนะออืย่างบอกโกรธแล้ว ร, รู้ว่าโกรธ ด, ดีอย่างนี้ยรับรองว่าเป็นโสดายัางคนละเรื่องเห็นไหมเราอ้าวต่อไปอยู่ที่ไหนล่ะตลาดนมัสการจะส่งการบ้านนะคะว่ า, าจิตเข้าบ้านหรือว่าถึงฐานบ้างไหมคะ เราเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคนละอันกันคเคยเห็นไหม <Okay. S 1> ตอนที่เห็นนะตัวที่ไม่ได้เจตอนอา จ, จะเห็นนะ่ะจิตต้องถึงฐานแน่นอน mm hmm. ถ้าจิตไม่ถึงฐานนะ่ะขันไม่แยกหรอกแต่การถึงฐานเนะี่ยมีสองแบบนะแบบที่เป็นธรรมชาติใจสบายอย่างนี้ใช้ได้กระถึงแบบรั้งเอาไวนะ้เ <Yeah. S 1> งี้ยอยเงี้ยก็ถึงเหมือนกันนะแต่ว่าถือแบบแข็งๆอย่างนี้ไม่เอา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 ใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้นะใจนี้มันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะถึงฐานปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปใช่ไหคะชี้โมโหไหมก็ร้ายเหมือนกันค่ะนะให้รู้ทันนะคนโมโหมากอนะ่ะดีดูง่ายหลวงพ่อคะแล้วถ้าเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยถ้าภายนอกมันอึนกระทึกเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ไหมคะได้อย่างน้อยเราตั้งใจว่าจะเดินทุกวันแนะอ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 มาพุทโธอีกพุทโธพุทโ ธ, ทธเล่นๆใจหนีอีกเรารู้เจ้าค่ะตรงนี้สําคัญนะแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้ใจนิ่งๆถ้าพุทโธเพื่อให้ใจอยู่กับที่นิ่งเฉยอันนั้นไม่ดีเท่าไหร่สู้พุทโธพุทโธแล้วใจหนีไปแล้วเรารู้ทันไม่ได้ค่ะนะไปฝึก อ, อย่างนี้นะเจะ้าค่พื้นฐานที่เข้มแข็งขึ้นกราบธรรมศาส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะออครบรอบสองปีไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานแล้ว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 มันเหมือนจะยอมรับและทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความสุขความทุกข์ ม, มันไม่ได้เกาะกินเราเหมือนอย่างก่อนเลยอืหนูปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างเหมือนที่หนูเคยรับปากกับหลวงพ่อไว้หนูสวดมนต์วันละชั่วโมงครึ่งเดินจงกรมเมื่อยามว่างภาวนาในชีวิตประจําวันตลอดทั้งวันไม่เคยพักเลยค่ะแล้ว ก, ก็อยากได้ผลไหมได้ผลหนูเห็นว่ากายใจ อธิจังทุกขังอนัตตาใจรักณ์ไม่เที่ยงไม่ไม่มีอยู่จริงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเห็นชัดมากจนบางครั้งเดินเนี่ยมันจะรู้สึกอุ้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนกับจะหลุดอะไรสักอย่างแต่มันออไม่ใช่ในตรงที่มันรู้สึกขึ้นแว บ, บเดียวนั่นแหละอันนั้นนะใช่น ะ, ะแต่ถ้ามันยาวกว่านั้นนะจะเป็นการคิดเราเนะี่ยงั้นความจริงเวลาเกิดขึ้นจาจิตจะเกิดชั่วแว บ, บเดียวเท่านั้นนะ มันรู้สึกขึ้นมาอย่างพยักหน้าเนี่ยยุดรู้สึกขึ้นมาปิ้งขึ้นมานะเตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกจะรู้สึกเองเวลาแปลงฟันเขาจะเห็นว่าร่างกายสกปรกเขาจะปิ้งขึ้นมาแล้วแบบมันแบบโอ้ร่างมันไม่มีตัวตนอะไรเวลาอาบน้ำนะคะ่ะเออแต่ว่าเวลาที่เราเห็นสภาวะแล้วนะเราอย่าไปอินกับมันอย่าไปอินกับความรู้สึกเลย อ, อย่าอินอยู่ อ๋อเจ้ค่ะรู้สึกหต้องรู้ทันเลยใช่ไกลิ่นอะไรเงี้ยนะใช่จ้าค่ะให้รู้ทันต้องรู้ทันเคะเออใจยังยินอยู่ค่ะพอเราไปเห็นไม่เที่ยงนะมันก็ยินกับมันเห็นสกปรกก็ไปอินกับมันค่ะใจยังไม่เป็นกลางยังไม่เป็นกลางตรงนี้นะคะแล้วเวลาที่คนอื่นเขาว่าเราเาว่าเราแรงๆนู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 เพราะว่าไม่ว่าจะรู้อะไรทุกอย่างก็แสดงใจรักหลวงพ่อมีการบ้านอะไรเพิ่มเติมไหมไปฝออึกทำถูกแล้วก็คือทำในรูปแบบเดิมแล้วใช่ไหมครับรู้จักจิตออกนอกอยังจิตที่ไม่ถึงฐานดูออกไหม อ, อ๋อยัอยงแลวจิตขนาดนี้ถึงฐานไหมหรือจิตอยู่ข้างนอกผมคิดว่าถึงถึ ง, ถ, งถึงฐานหรือเปล่าครับคือมันไม่คือมั น, ม, นมีความไม่แน่ใจยอยู่ต่อเพราะ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 มื่อถ้าใจเราอยู่ข้างนอกนะจะเห็นทุกอย่างแสดงใจรักหมเลยใจใจนี่สบายพลืนๆไปเรื่อยๆอ๋อครับถ้าอย่างเนี้ใจจะเริ่มเห็นทุกข์แล้วครับรู้สึกไหมมันกลับเข้ามาในตัวเราครับครับอย่างนี้แหละเรียกว่าใจไม่ได้ออกไปข้างนอกอ๋อครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้เราก็อย่าไปบังคับนะครับอออกไปอีกเราก็รู้เอาใหม่ว่าออกแล้วต่อไปนี้เราจะจําได้แล้วว่าฉิดออกไปยังไงครับเราแค่รู้ว่าออกแนละ้วมันจะเข้ามาเอง อย่ารักษาให้อยู่ภายในตลอดนะถ้ารักษาไว้จะอื่นอัดเลยครับผมอถวายสรุปได้อยังสรุปได้ยางว่าตอนหลวงพ่อถามทีแรกนยจิตถึงฐานไหมก็จิตอยู่ข้างนอกอ๋อแล้วครับครับเห็นทุกข์ไหมตอนนี้ตอนนี้รู้สึกร่างกายนั่งนั่งอยู่เออเนี่ยเห็นไหมจะค่อยมารู้สึกแล้วครับ มันจะไม่กระจายมันจะกระจายกว้างๆใจจะมีแต่ความสุขนะอถ้ากระจายออกนอกไปจะมีแต่ความสุขเห็นอย่างอื่นไม่เที่ยงหมดเลยแต่อันนียสุขอยู่เงี้ยเคลินสบายไปได้นะจะชา้ชาเสียเวลาครับแต่อยู่ข้างในก็อย่าบังคับนะบออกข้างนอกเรารู้ออกข้างนอกเรารู้แค่นั้นพออย่ารักษาไว้ภายในครับครับผมข อ, อ, อต่อไ ป, ไปเป็นปฏิบัติบูชาครับเอ๋าสาธุ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 แต่ทุกอย่างมันเกิดแบบเที่ยววินาทีนะเจ้าคะอันนั้นอันนั้นยังเป็นภพอีกภพหนึ่งนะค่ะเออไม่ใช่มหาสุญญตาหรอกค่ะนี้มันก็เป็นภพว่างๆแล้วเดี๋ยวไม่นานภพนั้นก็ตายไป<ะ>ค่ะเกิดเป็นภพที่วุ่นวายขึ้นมาแทนแล้วสลับไปเรื่อยๆเราก็แค่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้สภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้คน ะ, ะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีหนูภานาดีขึ้นตั้งเยอะเลย ไม่งนนั้นหนูจะไปไม่ถือไป ค, คิดคิดคิดไปเรื่อยๆนะใช้ได้แล้วแล้วก็มีข้อสองคือว่าพอมาปีเนี้ยค่ะรู้สึกจิตมันวัยอะค่ะมันบางทีมันไปเห็นอีกคนอื่นแล้วอย่างล่าสุดมันไปเห็นหนาคนนิดนึงคือตอนบอลโลกอะค่ะหนูก็เห็นว่าตอนเปิดบอลโลกมาหนูก็เห็นว่าเฮ้ยหนูก็เห็นว่าเยอรมันจะได้เป็นแชมป<อ>์ตอนนี้หนูก็แบบว่าน้วมันได้เป็นแชมป์จริงอะเจ้าค่ะหนูก็เอ้ย แล้วพอตอนดูในเกมหนูก็เห็นมันจะชนะหนึ่งศูนยด้วยแล้วปรากฏมันชนะหนึ่งศูนย์จริงหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกลัวว่ามันจะเป็นอัตราเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะปิดช่องทางนี้ได้หรือเปล่าอย่าไ ป, าปเชื่อมันค<ะ>ง่ายๆเลยคืออย่าเชื่อมันคเ<ะ>มื่อก่อนหลวงพ่อรู้จากครูบาอจารย์องค์หนึ่งนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมชื่ออาจารย์ทองอินค<ะ>อยู่วัดสันติธรรมสิ้นไปแล้วที่ท่านตอนหนุ่มๆเนี่ยนะออกไปเดินทุดงไปอยู่ในถ้ำก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะ ชาวบ้านก็ช้ามาถามเห็นพระกรรมาถาลนะ้วไม่เห็นเลขไหมไม่เห็น <c oughs> บอกไม่เห็นนะวันนั้นมานั่งสมาธิในถ้ำนะมองไปที่ผนังถานะ้าเนี่ยเห็นเลขขึ้นหกตัวขึ้นหกตัวนะไม่ใค่ขึ้นสองสามตัวนะก็ะจําไว้เอรุ่งเช้าชาวบ้านมาถามเห็นเลขไหมเห็นเห็นหกตัวบอกไปเลยหกตัวชาวบ้านเออยม่ซื้อหรอกนะใครไปซื้อเลขหกตัวนี่คงมั่วๆพระนี่เชื่อไม่ได้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 ร่ำรือกันไปทั้งจังหวัดเลยคราวนี้นะไอ้เจ้ามือหวยจะมาฆ่าท่านเอาท่านก็ชัปดปลอดเจ้ามือเหมือนกันนะแต่ชาวบ้านเขาบอกไม่ต้องกลัวชาวบ้านคุ้มครองมากผลประโยชน์ประโยชน์สําคัญประสิ่ง์ใดมันมาล้อมทถาำไว้ชาวบ้านะมาถามอีกวันนี้เห็นไหมวันที่สามเห็นหกตัว วยชบานนะทุ่มซื้อกันเต็มเหนียวเลยเนี่ ย, ยนนท่านเกิดใจคอไม่ดีนะท่านออกจากถ้ำนั้นกลับมาหาครูบาจาระหกตัวนี้ไม่ถูกสักตัวเลยเพราะั้นที่หนูเห็นเน่อย่าเชื่อนะอถ้าหนูไปบอกเยอรมันชนะขราวเตาไปไปบอกว่าไทยแลนด์ชนะอะไรเนี่ยผิดแน่นอนแต่ไอ้อย่างพวกจิตวัยนี้เราปิดช่องทางไม่ได้ใช่ไหมคะให้รูถ้ถ้าสนใจ่ายิ่งไว ถ้ไม่สนใจเดี๋ยวมันก็หายไปคือเราไม่ต้องไปให้ค่าอะไรเดี๋ยวไปให้ค่าแต่หนูว่าภูมิใจค่ะใช่ใช่หนูเริ่มเห็นว่ามันเริ่มตาจุกก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเพราหลงห้องมันจะเป็นวิบากถ้าเกิดไปเป็นวิบากนะคเราไปเบียดเบียนเจ้ามือหวยการนมัสการครับผมเนี้ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโง่ครับเอแล้วก็คิดว่า ความสุขเนี่ยไม่มีหรอกความสุขเนี่ยเป็นความสุขที่คิดเอาความสุขจริงๆนะคือการรู้เอาการ<ม>รู้เอาการรู้เอายอมเป็นควา ม, มสุขอย่างนี้ยอมเอาง่ายๆเลยนะต้องรู้สึกตัวไวนะไปรู้สึกตัวงั้นสังเกตไหมตอนที่ยอมเล่าเนี่ยมันเริ่มเพลินมันมีความสุขที่ได้คุยนะ ใจมันจะไหลไหลไหลไหไปเพลินเพเรารต้องไม่ยอมแพ้มันนะไม่ยอมติดมันไม่ติดรสชาติของความสุขอค น, นี้ครัเอาว่ามาเราไม่รู้ไปว่าอความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอ่มันมันเกิดจากเกียรตและที่ที่จริงอ่ะมันไม่ใช่ความสุขจริงออืถูกความสุขจริงจริงนะคือความสุขที่เกิดจากการรู้กายรู้ใจรู้ธาตุรู้ขัน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 เราต้องไม่ให้เฟื่อนใชแข็งๆไว้ครับนมัตการหลวงพ่อครับผมเองเคยมาพบหลวงพ่อเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ก็ตะห น, นักได้ว่าที่ผ่านมาเพียงแค่ศักแต่ว่ามาครับสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้สึกตื่นรู้ดีมากขึ้นใช่ดีครับแล้วก็ สารภาพกับมันตัวเอง ม, ม, มันก็ไม่เสียหลายเรานะที่มาเรื่อยเปื่อยไปทีแรกๆกันนะมันก็สะสมนะครับใค ร, บ, คร บ, บุญบา ร, รมีเรามันพอขึ้นมานะมันก็พัฒนาขึ้นมาตื่นขึ้นมาได้ครับ<ด>ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าสารภาพบาปกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวและคนที่รักไปแบบหมดเปลือกออืนะครับ<ด>แล้วก็เห็นกิเลสเห็นความทุกข์เยอะมากจากแน่ดี ดอดีตจบไปแล้วนะรเรามีชีวิตใหม่ครับแล้วก็นปัจจุบันก็จะปาราบความเพียนแล้วก็มีฉันทะในการทำความดีเราเป็นความชั่วสาธุสาธุนะอย่างนี้ดีคิดถูกครับก็นับปัจจุบันเองก็ดูเหมือนไม่ได้มีคำถามอะไรแล้วก็มองเห็นภาพรวมเข้าใจใน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 ขึ้นแล้วก็ในหลายๆครั้งก็รู้สึกตัวแล้วก็เห็นว่าตัวกูนี่เก่งเก่งกว่าแนอดีเยอะแล้วก็พยายามที่จะแต่ก็เห็นว่าเก่ง <c oughs> แต่ก็เห็นว่าเก่งแล้วก็หายไปในหลายๆครั้งที่จิตเกิดอกุศลก็เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไป <c oughs> ในบางครั้งดับไปด้วยความรวดเร็ว <c oughs> ในบางครั้งดับไปด้วยความล่าช้า <c oughs>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 ถ้าภาคเดียวเราก็เลิกสอนไปสอนต้นกล้วยที่วัดดีกว่ากลับนมัสการนลยค่ะหลวงพอ่อส่งการบ้านครั้งแรกนะคะก็เริ่มปฏิบัติจริงจังประมาณสามเดือนนะคะแรกๆเลยเนี่ยมีคนแนะนํานะคะหลวงพ่อว่ากัญญาณมิตรหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะคือ <laughs> ไม่ไม่รู้จักคือจริงๆไม่เคยรู้จักหลวงพ่อมาก่อนนะคะ <G rab> แล้วก็ได้ฟังซีดีที่ทํางานอยาน่างเงี้ยค่ะทีนี้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 ตอกหน้ามันเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วทําไมทําไมก็ทําไมนั้นมันหลอกให้เราคิดต่อใช่ค่ะมันจะคิดไหลไปเรื่อยเลยค่ะใ่แล้วก็ตอกหน้ามเลยเนี่ยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านท่องใส่มันไปเลยนะพ่ามันทําไมแล้วก็ยัดเลยฟุ้งซ่านใครจะแน่จะได้ไม่คิดต่อใช่ไหมคะใช่แล้วให้รู้สึกเอานะเราจะเห็นในความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับใช่ไหม ความรู้สึกทุกชนิดนะเกิดแล้วดับกระทั่งความสงสัยแนละ้วเกิดขึ้นมาเราอย่าไปสนองมันให้เรารู้ทันว่ามันสงสัยแล้วว่าทาไมอย่างนั้นทําไมอย่างเงี้ยพอรู้นะมันก็จะดับให้ดูมันเหมือนความโกรธเกิดขึ้นนะ่ะเราไม่ตอบสนองมันเรารู้ทันว่ามันโกรธเดี๋ยวมันก็ดับให้ดูนะแม้เราไม่ตอบสนองกิเลสหรอกแต่เราคอยรู้ทันมันเขา ร, รู้ทันไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ใช่รู้ไปเรื่อขอบพระคุณค่ะเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน รู้ค่ะใช่รู้สึกไหมรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเลยค่ะแต่อย่าไปติดน ะ, ะอย่าติดในความสุขตรงนี้นะที่หมูปฏิบัติมาถูกไหมคะถูกแต่จิตถึงฐานไหมตอนนี้ถึงค่ะไม่แน่ใจอะค่ะแมมรีบเปลี่ยนมันตื่นเต้นค่ะพอหลวงพ่อถามเลยที่ชักไม่แน่ใจใหายใจแล้วรู้สึกตัวสิ ใจมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่าลองย้อนกลับมาดูจิตซิดูได้ไหมหรือมันดีดออกมันไหลออกไปไหมเนี่ยไหลไปไหมไหลไปคิดไหมคิดค่ะให้รู้ทันเวลาเขาไหลไปคิดนะเนยมันจะกลับเข้าบ้าน ง, งั้นมันจะมีความสุขอย่างเดียวเลยแจมันจะโลง่งจะว่างที่หลวงพ่อพยายามทําหน้าเมื่อกี้เนี่ยก็หน้าอย่างนี้แหละ หน้าตามีความสุขแต่มันไปอยู่ข้างนอกหน่อยๆ น, นะคะ <ục. S 1> มันไม่ย้อนเข้ามา <ục. S 1> งั้นมันไม่ถึงฐานเ <ục. S 1> งั้นพยายามกลับเข้ามารู้สึกร่างกายก็ยังได้ใครรู้สึกนะร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับเข้ามาถ้ามันไปแล้วมีความสุขมันอยู่กับความสุขไปเรื่อยๆนะ <ục. S 1> จะออกนอกกลับมาดูกลายถ้าต่อไปมันมีแรงมันก็เข้ามาดูที่จิตได้อ ค่อยๆทำเอาแต่ว่าที่ทำมานะก็ก้าวหน้ามากแล้วล่ะมันก้าวหน้าเสร็จแล้วมันเลยไปตกหลุมอยู่อันหนึ่งนะคือว่างมีความสุขสว่างสวยสบายขอบคุณค่ะหลวงพ่อเป็นกับดักงั้นเราย้อนมาดูกายไว้ต่อไปหมดยังนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมไม่ได้ส่งการบ้านมาปีกว่าแล้วเช้าค่ะ ก่อนนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูกิเลสเดี๋ยวนี้มันเห็นกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันเห็นเวลาสวดมนต์เห็น mm hmm. เห็นว่ามันเป็นคนละขณนะขณะคนละอยา่าง mm hmm. แล้วก็มันก็เห็นความเกิดดับอ mm hmm. ความเกิดดับแล้วมันก็เห็นว่าเกินน้ำลายนี่ก็ไม่ได้สวด ม, มนต์พ่อพ่อสวด ม, มนต์ก็ไม่ได้เกินน้ำลายมันเป็นคนละอย่างคนละขณะเห็นความเกิดดับนะคะใช่ ส่วนวนไปคลืนน้ำลายไปก็สำลักเลยไม่ได้หรอกถูกเห็นถูกถูกไหมคะเจ้าค่ะถ้ามันเห็นเป็นคนละขนาดคนละอย่างเห็นความเกิดดับนั่นแหละเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันสั้นๆนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็หลวงพ่อก็บอกว่าให้ดูปัจจุบันแล้วก็ให้ดูสติให้ดู ดูตามดูตามรู้ก่อนน้องโยมไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้โยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะดีเข้าใจแล้วคือสติ ต, ตั้งมั่นแล้วก็ตามดูตามรู้สภาวะที่ที่กิเละเอีมันเป็นอะไรนะเจ้าค่ะดีแล้วทีนี้โยมก็อยากจะรู้ว่าทําอย่างไรจะให้มันมีสติมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นมหาสติอะค่ะก็ทําทบ่อยๆมีทางเดียวเลยนะคือหัดรู้บ่อยๆแล้วสติมันจะเข้มแข็งขึ้นจนเป็นอัตโนมัติ คำว่ามหาสติเป็นสัมนวนเท่านั้นแหละมันเป็นสติที่ถี่ขึ้นมาเราไปติดกับชื่อของประสูตรพระสูตรมีชื่อสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานมีหลายสูตรสูตรที่ใหญ่ที่สุดเรียกมหาสติปัฏฐานเราเลยไปคิดว่าสตินี้มีมหาสติด้วยแต่ตอนสติมันถี่ยิบขึ้นมาแนละ้วอัตโนมันค่ะในตอนนี้มันเห็นกิเลสมากขึ้นมากขแต่มันยังไม่ได้ทุกขนาดจิต เป็นบางทีบางครั้งแค่นั้นที่ปฏิบัตินะคะแต่ฟังซีดีของหลวงพ่อบ่อยมากมันจะถูกกระจริตทําตามอย่างหลวงพ่อที่พูดท่านพูดว่าเออทำอย่างสบายสบายนี่ถูกกระจริดมากแล้วจะเดินได้ตลอดเจ้าค่ะในระหว่างนั้นบางทีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยค่ะปฏิบัติ3มเวลาก็มี2เวลาก็มีเจ้าค่ะถ้าวันพระสบายนะค่ะทําเยอะเลยเวลาลูกหลานเขาไปโรงเรียนแล้ว พ่อแม่ก็ไปทํางานอยู่คนเดียวตอนเนี้ก็ไม่มีคนใช้แล้วก็ทํางานด้วยเจริญสติไปด้วยเจ้ค่ะดูสภาวะไปด้วยเห็นสติว่าทางโลูกกระทรมมันคนละอย่างกันแต่มันก็ไม่ทะเลาะกันนะเจค่ะถึงเวลาลูกหลานกลับมาเราก็เรียกลูกเลี้ยงหลานไปค่ะก็ดูเขาค่ะแต่เวลาดูเด็กเด็กที่ยังเล็กอยู่ยิ่งเล่นได้นี่ก็สติมันก็ออกนองนานหน่อยเจ้ค่ะก็กลัวเขาตกเขาอะไรก็ระวังให้เขา ระวังาขาดีแล้วแล้วควรจะทำยังไงในการปฏิบัติให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ทำต่อไปนะถ้าใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน <S S S 1> okay. ใจยังฟุ้งเก่งอยู่ <Okay. S 2> นะที่ใจฟุ้งเก่งนะเพราะเราไม่ได้ทำสมาธินะ <Okay. S 2> ทำให้ใจสงบพอมาพักบ้างเป็นช่วงๆนะ <Okay. S 2> ถ้าเราเดินปัญญารวดไปเนี่ยมันจะฟุ้ง <Okay. S 2> ของยมขยันเดินปัญญามากทาความสงบบ้าง okay. Okay. โยมกลัวแต่ว่าก่อนตายมันจะลงอบายภูมิสีแค่นั้นอยากให้มันพ้นไปเถอะค่ะอย่ากลัวอย่ากลัวถ้าเราฝึกจนสติมันไวนะฉะมัติก่อนจะตายมีเห็นนิมิตเวลาจะตายมีเห็นนิมิตขึ้นมาก่อนนะเห็นนรกใจกลัวเห็นความกลัวเกิดขึ้นมานะความกลัวตับนีนรลกแตกเลยนะไม่ต้องกลัวเลยแล้วนฝะึกไว้อย่างนี้แหละปิดนรกของเรา ขอบพระคุณค่ะโยมจะพ ย, ยายามครับก็ๆๆช่วงนี้เป็นช่วเงเข้าพรรษานะครับก็ถือโอกาสเรากล่าวคําขอขมาพระรัตนนาตรัยครับเชิญชวนทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะะะสะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสับพังอะปารายังขัมมตเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนะกตังสับพังอะปารายังขัมมตเมพันเต อุกาสะขมตุโนพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระประเจกะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยทางกายก็ดีหรือวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีและมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดี ด้ดยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้ า, า, จาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินเอวังโฮตุเอวังโฮตุ โ, โยเจปุเพปพะมัชิตวาปัชชาโซนัปปัมมัชติโซมังโลกังปภาเซติอพภามุตโตวัจนดิมา ยะสะปะปังปะตังกัมมังกูสเลนาปะฮีติโซมังโลกังปะพาเซติอภามุตโตวันฉดิมาอาภิวาธนาสีลิสนิจจังวุฒาปะจายโนจตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลังแล้วก็กล่าวคำถวายทานนี้ผมขอเป็นตัวแทนนะครับไม่ต้องกล่าวตามน้อมใจไปเลยนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไตยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลลนานเถิดสาธุยถาวาริวหาปูราปริภูเรนตีสาคารังเอวาเมวายโตตินังเปตาณังอุปก ป, ปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวาสมิจจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยทามานิโชติรโสยทาสัพีติโยวิวัชชันตุสภโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภะอาภิวาธนาสีเลสนิจังวุธาปจายโน จตารโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะภาวนาเข้าจะได้พ้นทุกไป